ความคิดก็ทำให้เรายึดติดอยู่กับความคิดออกไม่เป็นเห็นไหมเลวลาเราเดินอยูุบมีแต่ความคิดออกจากความคิดไม่เป็นเบอกว่าให้มีสติมันก็มีอ่ะเป็ประวัติพระมหากระส ป, ปะอายุร้อยี่สิบปีเป็นคนอยู่ป่าช้าตลอดชีวิตนี่เมื่อกี้ท่บอกว่าท่านจะเลิกหลังจาก ว, าวุฒิญาประลิขพานแล้วท่านก็นเลิกอยู่ป่าช้าแต่ก่อนน่ะอยู่ป่าช้าเขานมนมลเข้าไปนอนในบ้านนัานก็ไม่ไป อาหารก็คือบิณทบาทเอาวันไหนที่ไม่ได้บินทบาทไม่ได้กินท่านไม่กินข้าวถ้าไปบินทบาทไม่ได้ก็คือไม่กินเนี่ยองค์เนี่ยเขร่งคัดมากผ้าจีวรก็เอาเฉพาะที่เก็บเอาตามศพที่เขาสพไปทิ้งในป่าชาไปบังสกุลเอาแล้วก็เอาเอาเฉพาะผ้านาั้นก็มหัศมาเย็บต่อกันเป็นจีวรแต่ผ้าโยงเขาถวายนีย่ท่านไม่เคยเอาท่านรับอยู่แต่ท่านให้คนอื่นท่านไม่เคยถือถือผ้าบังสกุลเป็นวัดพระมหากะสปะเนี่ย ในอินเดียเขาก็เอาแบบนั้นแหละมีแต่ผ้าจากศพแต่ของเรานี่เรียนแบบเมื่อคนตายทีก็เอาผ้าไปพาดไว้ตรงโรงศพนะก็ให้พระไปหยิบเอาใช่ไหมอันนี้จนาวัตสังฆาราเนี่ยนะนั่นแหะนะนะคือเรียนแบบผ้าบางสุกุลแต่ผ้าบางสุกุลจริงๆคือผ้าที่หอ่อศพไม่ใช่เอาไปแปะไว้ตรงนั้นใส่ถุงพลาสติกอย่างดีนะผ้าไตรเราเรียกว่าชักบางสุกนะนะุลเน่ะนะเลอะเลอะเหมือนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราไปเรียนแบบทําพอเป็นพิธีเดี๋ยวนี้ทําเป็นพอเป็นพิธีทั้งหมดนะ ตุกอย่างเป็นพิธีหมด น, นอนป่าช้าไม่รับนิมนต์นะเนี่ยแล้วก็ถือผ้าปองสุกุลเนี่ยพระรัศพเนี่ยอายุยืนนะเนี่ยสมมติว่ามางานเนี่ยมาประชุมมาวัดเราเนี่ยมาเทศนสนี้ป้อก็ต้องไปนอนป่าช้านู่นนอนป่าช้าตอนเช้าถ้อค่อยเข้ามาอะไรเนี่ยท่านถือแบบนั้นตลอด ของตาก็อยากได้สักองค์หนึ่งที่มีเวทปฏิบัติแบบนั้นนะก็คุยกับหลวงปู่สังหลายครั้งแล้วท่านไม่ยอมไปผ้าจีวรท่านก็ชอบผ้ามัดสลินหลวงปู่สังเมยนะคคีมทาเท้าต้องอาจจะมิดสทีนพระเราไม่ใช่ธรรมดาแต่นั้นก็คือธรรมดาพระธรรมดาคนไหนธรรมดาได้มากที่สุดนะคนเข้าใจธรรมะธรรมะคือธรรมดานี่แหละ หลวู่สังไม่มีเงินเป็นล้านนั่นเนี่ยหลวงตาบอกว่าจะไปเก็บไว้ในนั่นนะ่ะ น, นี่ใส่แต่คู่ถังไว้หลวงตาว่าให้เอามาถวายหลวงตานี่สร้างกุฏิคนเนี่ยทำ น, น, นู่นทำนี้ทำที่พักท่านบอกว่าเก็บไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวลูกมันก็มาขอไอ้บักตัวนั้นมันเมื่อขอแล้วมันไปซื้อรถยนต์นะ่ะรถไปกินเหล้าเราเมาชอยเสยท้ายเขาตายพอดีลูกท่านเท่ากับเอางเงินให้มันไปตายนะัะนลูกบกูก ตายพอดีเลยท่านจะใส่คู่ถังคู่ถังไว้เนี่ยน้ำพึ่งก็ใส่คู่ถังเนี่ยยาลากไม้ก็ใส่คู่ถังเป็นคู่ถังเป็นคู่ถังเมื่อวานนี้ก็คนโทรมาถามอยู่วันนี้เขาอาจจะเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาอยากเห็นหน้าหลวงตาเขาเลยเขาคุยโทรศัพท์มาพี่สาบอกว่าให้เจอหลวงตานี่กําลังโทรคุยกับใครเขาหลงโบลส์ฉังม า, าเนี่ย อ๋อท่านหลวงปู่สังคะบอกลงตาด้วยนะจะไปหาจะเล่นบอลอะไรเนี้ยตงแต่าฮะโ อ, โ อ, โอ้อันนั้นคนหนึ่งต่างหากนะมีคนใหม่นี่แหละไม่ว่าใครมาในวัดนี่หลวงปู่สังเขาจะรู้จักดี อ, อโยมผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายวันนี้ วันนี้จะพาลงไปข้างล่างฝากน้ํำลงไปนู่นนะฉันเข้าสักพักตีละครั้งแม่งลรามาที่นี่นะมาที่นี่นอนตายพาเดินลงไปเดินจุกมปฏิบัติทางโน้นในวันนี้นะไปทางโน้นไม่มีใครไม่บรรุนะบรรุมดคนไปฝั่งนนนะ่นนี่ก็เหมือนกันนะนะถ้าไม่เข้มแข็งก็คือนอนตายอักลกักษณเงานอนแต่ทน้นมันลมดีอตันะ้งใจดีๆเห็นหลายหายคนตั้งโ อ, อกตั้งใจดีอ่ะผู้ชาย เยจะพาลงไปทางโน้นผู้หญิงก็อยู่ในนี่เนาะแล้วฝั่งโน้นก็ขยับมาทางนี่หน่อยผู้หญิงนะมาอยู่แทนทางฝั่งผู้ชายนี่หน่อยอากาศมันดีอืมใครมีอะไรสงสัยไหมอย่าถามนั่นถามนี่ถามนั่นถามนี่นี่นี่หมายาว่าถามเรื่องในนี้นะไม่ใช่นี่สินนะนี่สินก็ไม่มีปัญญาชายัยละหลวงตาก็เป็นนี่เขาอยู่สามล้านเนี่ย วันก่อนโยมเขาซื้อลอตเตอรี่ทวีสินนะปัทวีสินมาให้เหยียบเดือนเดือนก่อนนั่นแหละเหยียบล้วปากรว่าถูกถูกไปสี่แสนมั้งเอามาถวายสองร้อยเนี่ยมึงตากระลมึมอากูจะซื้อเอาเองแล้กูจะเหยียบเองหรอว ะ, นะเนี่ยเฮ้ยมาถวายแค่สองร้อยเนาะยังจะเอามาให้เหยียบอีกอยู่ต่างหากนะ หลวตาไม่ต้องเอามาละหลวงตาจะซื้อเอาเองว่ะเอาเองเหยียบเ อ, เองไม่นึกว่าตีนเราจะอนุภาพป่านนี้นะเอ่อเหยียบเปาเองนะต่อไปนี่แต่กลัวซื้อมาเหยียบแล้วกลัวมันไม่ถูกนี่นะปัญหามันเนี่ยหลูกภูในครูถังนั่นนะ่ะเอามาซื้อทวีสินเถอะหลวงตาจะเหยียบให้หว่ะให้พระคู่บังหงวนนี้เหยียบช่วยกันหลายๆองค์เผื่อเผื่อวันยากชีวิตนี่น่ะ มีแต่อยู่แต่ความหวังพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะชีวิตคนเนี่ยมีอยู่สามประเภทหนึ่งคนมีหวังสองคนไม่มีหวังสามคนสิ้นหวังสวว อ, อยากเป็นคนประเภทไหนประเภทที่หนึ่งหรือสองสามถามสวเนี่ยเออประเภทที่หนึ่งหรือสองสามฟังได้ยินไหม โอ้ oh, พอถามปัญหาแล้วหูอื้อทันทีนะใจใจทําถูกแล้วแต่พอคุยกันแล้วไม่อืดเท่าไหร่เนียมันต้องมาไม้นี้เราคิดแล้วมันมันหูอื้อทันทีนนอา้าวสร้างจังหวะที่่าสิรขึ้นกครืบินไปจากรุงเทพนะเนี่ยยังหูอื้ออยู่หลายวันแล้วกยััขนแข็งคนมีหวังที่แรกคนอะไรนะค น, คนมีหวังคนมีหวังคนมีหวังนี่คือคนขยันคนปฏิบัติ คนปฏิบัติแล้วคนไม่ผิดศีลผิดธรรมที่ลึกๆอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเนี้ยทําพระสงค์ให้แตกจจกันเป็นสังฆเภทพวกเนี้ยหาเรื่องใส่พระใส่เจ้าเนี่ยพเนี้ยฆ่ามันดาบิดาพวกเนี้ยเขาเรียกว่าครุกรรมพวกนี้เวลาปฏิบัติทำถ้าขยันเนี่ยถ้าทำความรู้สึกตัวอยู่คนประเภทนี้มีหวังแน่ๆมีหวังต้องรู้แจ้งมีหวังต้องสิ้นทุกข์ทีนี้ประเภทที่สองประเภทที่สองคืออะไรนะ ก็ไม่มีหวังพวกไม่มีหวังคือพวกบาปหลายพวกทําบาปทำกรรมเยอะๆแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยากมันไม่มีหวังเป็นไปไม่ได้นะพรอความคิดมันเยอะความปรุงแต่ง ม, มันบาปกรรมเยอะเนี่ยมันจะไม่มีหวังอ่ะขยันยังไงมันก็ไม่ได้นะที่ขยันก็ยิ่งทุกยิ่งคิดมากนั้นหลายๆคนเห็นไหมเดจจุกมกลับบ้านแล้วไม่ไว้แล้วเนี่ยความคิดมันเยอะขนาดตัวเล็กๆน้อยๆนอยขนาดเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเขายังคิดเยอะแล้ว ดีเนียมาคิดดูนะแม่โตโตต า, ตาตานี่ยมาคิดดูดิลูกอยู่ได้เนี่ยจะได้ว่าไม่ธรรมดานะเนอะมันทุกข์มากนะเนี่ยเออทุกข์มากนะขนาดแม่มันก็ยังมาคิดผิดนะเนี่ย <c oughs> อ, ออเอออ อ, อ, อ, อลูกเขาลาโรงเรียนอนุบาลมาปฏิบัติธรรมเลยบอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศเขาบอกว่าจะพัฒ น, นานลูกเขาให้ปีสติดีกว่าลาโรงเรียนอนุบาลดอกบัวมาสองตัว นะอยู่พ่อไหนกับพ่อไหนนะลูกพ่อสามกัพ่อหกอเนี่ยมาฝึกนี่ได้เจ็ดวันแปดวันวนั่นแหละเขาพอลูกปฏิบัติกลับไปเอา้าพ่ออยู่ฝ่ายศีลเชื่อฝ่ายอะไรเนี่ยแบงก์กรุงเทพเห็นลูกดีขึ้นมาเลยทีนี้ลูกพ่อก็มาปฏิบัติธรรมที่ได้ส่งลูกมาก่อนสืบดนะูว่าพระที่นี่เอาจริงไหมหน่ะนะนะปรากฏ ว, ว่าลูกดีกลับไปพบ พ่อมันกลับไปแม่มันมาหน่เห็นไหมเนี่ยเขาไม่ถอยดิอ่แต่กําลังคิดอยู่ว่าคิดผิดปังลูกกูอยู่ได้ยังไงลูกกูอยู่ได้ยังไงเนี่ยสาปีกับหกปีแนละ้วมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยกูเทียบตายแล้วเนี่ยเขวาว่าเอาก็ช่างมันเถอะนะอแล้วยังอึดัดไปนู่นนี่หัวกูน่าจะบอกกูว่ามันยากนะนี่มันไม่พูดเลยมันมีแต่ว่าส่งเสือไม่กูมา <c oughs> น่ากลัวนะพวกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละทีใครทีมันูลตาเชื่อว่าเรากลับไปนี่เราก็ไม่บอกคนอื่นมันกันแหละ <c oughs> จงไปต้มมันมาเป็นลายเป็นลายไปเขานี่คุณอะไรเนี่ยลืมชื่ออลไเนี่ยเขามาจากเชียงรายนั่นแหะเนี่ยเขาปฏิบัติทำมารูกกี่รอบแล้วที่มาเนี่ยก็ยังมาอยู่เรื่อยๆนี่อาจารย์ปราปญพัดมาสองรอบสามรอบแล้วเนี่ย นะอายุก็เยอะแล้วนะแตนท่านก็ยังเอาอยู่เรื่อยๆเนี่ยยังฝึกนะเพราะเลยเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นนะมีทางนี้ทางนี้เท่า น, นั้นนะ่ะทางรู้สึกตัวทานมาเประมาณเนี่ยมีทางนี้คือถ้าไม่เอาจริงกับมันมันก็ไม่ไปไม่ถึงนะเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องให้ปัญหาม เ, เนี่ยถ้าจะไปทําอยู่ที่บ้านเลย อ, อยากหัวอยู่ที่บ้านป่านนี้รับหมดแล้ว <laughs> ป่านนี้โมหลักหมดแล้วลหิ ว, ว ก, ก็กินหมดแล้วป่านนี้โทรศ็สับก็เปิดเจ็ดรอบแล้วป่านานี้มาอยู่ที่นี่ดีหน่อยมีผู้ดูแล เอาคนประเภทสุดท้ายคือคนสิ้นหวังคนสิ้นหวังก็คือผู้ทําความหวังให้สิ้นแล้วนะฮะผู้ไม่มีหวังต่างหากนะผู้สิ้นหวังนะางหากสิ้นหวังก็หมายว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไอ้ความหวังน่ะถูกทําลายคือเกิดการรู้แจ้งละดับทุกข์ได้แล้วเลยไม่รู้จะหวังอะไรเพราะว่าเข้าใจแล้วไงมันเข้าถึงธรรมแล้วมันไม่ได้หวังแล้วความหวังมันมันหมดไปแล้วจบไปแล้วนะมันจางปางขึ้นมาแล้วเนี่ย นั่นเรามาปฏิบัติธรรมตอนใหายเด้อตอนบ่ายตอนใหม่เอ๊ยยมผู้หญิงเนี่ยลงไปข้างล่างหมดดีไหมฮะลงไปข้างล่างนี่แดดนะกลัวไหมฝ้าขึ้นนะเป็นฝ้านะบางคนกลัวฝ้านะไม่รู้ธรรมะกรจชังแต่คนจเตจะเป็นฝ้าเป็นสิวมีนะเนาข้างบนนั่นแหละ